เราพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะการบังคับใจก็หมายความว่าใจเรามีโทษใจเราเป็นโทษโทษคือกิเลสที่มีอยู่ในภายในนั่นแหละเราจะไม่บังคับไม่ได้เราจะต้องเอาหลักธรรมนแหละมาบังคับหลักธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นระเบียบซึ่งเป็นแม่บทที่เราจะต้องใครครวนพิจารณา ทำให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแลวดำเนินไปตามนั้นเช่นอย่างใจมันชอบดิดชอบดิ้นไปข้างนอกเนี่ยในเมื่อมันชอบดิดชอบดิบด้นไปข้างนอกเนื่องจากใจมันเพลินไปตามอานาจของกิเลสเราจะไม่เอาหลักธรรมมาบังคับให้ใจมันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องบังคับให้ใจอยู่เช่นอย่างเราต้องตั้งใจทำให้จิตสงบเนี่ยกลังนั่งกาหนดให้สงบ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 เท่ากับว่าเรามาบีบเท่ากับเราบังคับให้จิตมันอยู่มัดให้จิตมันอย่นะเนี่ยเราต้องเอาเอาหลักหลักของสมาธินี่แหละหลักของปัญญามามัดจิตให้เป็นไปตามนั้นเราจะปล่อยให้เปยนไปตามธรรมชาติแล้วเราก็าวิ่งเดินตามรู้ทันปล่อยท้หยล่องลอยไปโน้มมันไม่ทันมันแหละมันไม่ทันมันดอกปล่อย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 รรเราร be ู้ท่านเราก็ด <cafe scenes> ึงมาทําใหม่เราจะไม่บังคับไม่ได้เราจะต้องดูเหมือนกับว่าเราจ้องดูมันจะโผล่ออกไปไหมมันจะพลอกไปเราก็จ้องดูพผลกปุ๊บเราก็รู้ปั๊บถ้าเราไม่ตั้งใจกําหนดจดจ่อดูไม่ตั้งใจบังคับให้มันอยู่ก็เหมือนกับว่าเราปล่อยงานเราไม่ทํางานเราปล่อยงานเราไม่ทํางานในเมื่อเราตั้งใจกําหนดจดจ่ออยู่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 รู้อยู่รู้รู้อยู่เฉพาะจิตสงบอยู่เฉพาะจิตโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์แม้แต่ค า, าพุดโธพุทโถพุดโถก็อิ่มแล้วถึงเราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมจิตก็อยู่อยู่คือสงบอยู่กับที่ไ ม, ไม่ดีดไม่ดิ้นไปนู้นไปนี่นี่คือความสงบจะสงบมากสงบน้อยสงบนานสงบ แนบแน่แนเย็นอกเย็นใจอยู่นานเท่าไหร่ก็ตามแล้วก็ปล่อยสงบเพราะจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มมีความโดดเด็นในตัวเองหลักสัจธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่จิตจะไปเกี่ยวข้องจิตก็เริ่มจะรับทราบรับ ร, บรู้ได้รวดเร็วได้ไวหลักสัจธรรมของจิตเออหลักสัจธรรมของกายเออเนี่ยพอพอย้อนมาปั๊บ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 มากำหนดที่จิตของเราให้รู้ความเป็นไปของจิตทําให้จิตของเราเนี่ยได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจได้รับความขัดเกลว์ป้อนความรู้ป้อนความเข้าใจป้อนความขัดเกลว์เข้าไปเรื่อยๆนี่เป็นการฝึกฝนจิตให้จิตได้หลับได้เกณฑ์ยอยู่กับความสงบความสงบอย่างเดียวนี่มันเป็นอาหารมากํากับจิตให้จิตดูดดื่มให้จิตเอิบอิ่ม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 อาศัยสมาธิคือความสงบที่เราฝึกฝนอบรมมาจนแนบแน่แนในหัวใจของเราเนี่ยมาเป็นเครื่องชูเพื่อมาเป็นเครื่องพยุงมาเป็นเครื่องสอง่งให้จิตเราอยู่กับที่พิจารณากายกา ย, ยานุปัสนาพิจารณาเวทนาเวทนานุปัสนาเวทนากายก็มีร่างกายเป็นสุขท่าเรียกว่าสุขเวทนาร่างกายเป็นทุกข์ต้องเรียกว่าทุกขเวทนา เราหย่อนมาดูเวทนาก็ได้เวทนากายก็ได้เวทนาใจก็ได้เวทนากายก็ได้เวทนาใจก็ได้แต่โดยปกติของใจนั้นะใจที่มีกิเลสโดดเด่นดิ้นไปเนี่ยเราตามรู้มันเราก็ตามรู้สุขเขาเวทนาที่เ้าเรียกว่าโสมนัสเวทนาเวลาจิตยินดีพอใจกับสิ่งนู้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีไปก็ไปกระทบไป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 ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาร่างกายของเราก็ตามร่างกายของท่านก็ตามร่างกายของสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ตาม <centralized: mics and fluid> มันมีที่มามันมีที่มามันมีที่อยู่มันมีที่เป็นมันมีที่ไปเ <distraction: frequency> จริญให้รู้ความเป็นมาของกายนี้ SOUND ให้รู้ความเป็นมาให้รู้ความตั้งอยู่ของกายนี้ <yond: centimeters S 2> และให้รู้คติความเป็นไปของกายอันนี้ให้ร em: ู้ความจริงของมัน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 ก็ได้นั่นแหลมาเลี้ยงตัวเองแล้วก็มาเลี้ยงลูกในที่สุดก็คลอดออกมาพอเราเคลอดออกมาแล้วสายอาหารก็ถูกตัดออกมาให้เราเป็นตัวของตัวเห็นไมให้เราเป็นตัวของตัวเราเป็นธารกแม่ก็ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำเห็นไหมเพราะข้าวกับน้ำเป็นอาหารส่วนหนึ่งเป็นธาตุส่วนหนึ่งที่จะเอาไปทดแทนธาตุภายในที่มันเสื่อมไปมันสิ้นไปเนื่องจากว่ามันทางานทุกระยะทุกเวลานาที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 สามารถแทะเข้ามาทางขุมขนของเรานะหนไหมเป็นรังเหงือแตกเหงือก็คือน้ำในกายเนี่ยทัดน้ํำในกายมันออกมาเพราะมันออกมาอยู่ผิวนอกอยู่ตามที่อับที่ชื้นเช่นหลักแร่บ้างอะไรบ้างอมีกลิ่นสาบวันทั้งวันถ้าเราไม่อาบน้ำํำเราให้ร่วงไปให้หมักหมมไปมีแต่กลิ่นสาบมีขี้ตามีขี้โมกน้ำโมูก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 เมื่อรู้ตามภาวะความเป็นจริงแล้วกายก็สักแต่ว่ากายอย่างที่ท่านว่ากายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราตรงไหนเป็นเราเราดูไปเราดูไม่ออกเราตรงไหนไม่มีเราดูไปก็เห็นแต่ธาตุที่ท่านสมมุติว่าเป็นธาตุดินแข็งๆเขเป็นธาตุดิน อ, อ, อาบซึมเช่าเ็เป็นธาตุน้ำมีความอบอุ่นธาตุไฟ หัหายใจเข้าหายใจออกเป็นการนค ร, รือกายให้มีอยู่ได้เป็นอยู่ได้ตามกฎตามระบบตามระเบียบของกายอันนี้ที่มันจะทรงตัวอยู่ได้เป็นเราเป็นท่านเรามองไปเ ร, เราก็เราก็เห็นแต่อันนี้นึ่คือภาวะของกายถ้าเรายังเห็นหลักธรรมชาติต่างกล่าวอย่างนี้ช์จเจนหมดความยึดมัน่นถือมันในกาย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 กายนี้เป็นเราเป็นของของเราที่ท่านเรียกว่าละสกายติฐิได้ถ้าเราไม่พิจารณาไม่รื้อไม่ขุดไม่คุยไม่ค้นอย่างนี้เนี่ยทำไมเราจะเข้าใจในเมื่อมันไม่เข้าใจเราก็สงสัยอยู่นั่นแหละที่ท่านเรียกว่าหมดความสงสัยหมดความสงสัยก็เนื่องจากว่าเรามามารื้อมาค้นมาพลิกมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความนึกเปลี่ยความคิดเปลี่ยนความสําคัญเปลี่ยนความเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของของเรา ให้เห็นศัก์แต่ว่าเป็นธรรมชาติตามภาวะของมันของมันเราดูให้เห็นยังเข้าไปในหลักความเป็นจริงของมันเลยโดยที่ไม่ให้ศัพ์บัญญัติเกิดขึ้นก็ได้ดูไปที่ไอ้ก้อนแข็งแข็งเนะี่ยก้อนที่เหลวเหลวภาวะที่อุ่นอุ่นเป็นธาตุไฟภาวะที่หายใจเข้าหายใจออกคืออะไรคืออะไรก็คืออันนั้น่ะเอาจิตไปกาหนดจดจอ่อจับหนึบลงไปเลยนี่คือภาว ะ, าวะธรรมชาติ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 เราก็มาพิจารณากายเรากําหนดหายใจเข้ากัาหายใจออกเนี่ยเรานั่งไปนานๆนั่งไปนานๆเนี่ยทุกขเวนเขนทเวนาเกิดขึ้นเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราก็มาพิจารณาเวท น, นาเวทนาก็อศัพท์่าเวทนากายเวทนากายคือกายมีความสุขเนื่องจากว่ากายยังไม่ขัดไม่คล่องพอเรานั่งไปสักหน่อยครึ่งชัว่วโมงหนึ่งชัว่วโมงสองชัว่วโมงเนี่ยร่างกายของเราก็เจ็บปวดเจ็บปวดขึ้นมาเป็นทุกขเวทนา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 แต่ว่าเวทนามันเกิดจากกายเราดูไปให้เกิดความรู้กเกิดความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาจนเห็นแต่ว่าเวทนาก็สักเท่าเวทนาอย่างลวงป้าท่านให้กําหนดพิ่เจรณาให้ดูเวทนาให้ดูกายให้ดูเวทนาและให้ดูจิตแท้ที่จริงจิตก็คือเราเอามาแปลงเป็นสติมาเป็นสัมปชัญญะมาเป็นตัวปัญญาอ่ามันเป็นตัวปัญญาจิตคือผู้รู้จิตคือธาตุรู้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 มันถู ก, กเกลีดแทะเข้ามาเออร่างกายเจ็บปวดขึ้นมาจิต ด, ดูแล้วมันไม่ชอบใจมันไม่พอใจเนื่องจากว่ามันเจ็บมันปวดจิตไม่พอใจทําไมจิตถึงไม่พอใจเจเนียร่งรางกายมันเจ็บมันปวดเจเนี่ยเรานั่งนานๆมันเจ็บมันปวดดูมาดูมาที่จิตจิตไม่พอใจไม่พอใจความเจ็บความปวดเพราะอะไรเพราะจิตมายึดเวทนาเห็้ไหมเมื่อจิตยึดเวทนาจิตก็ไม่พอใจ ที่สันเดียกว่าไม่ยินดีไม่เพลินใจกลายเป็นยินร้ายอกลายเป็นยินร้ายอัดตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาที่ไหนโผล่ขึ้นมาที่จิตมันโผล่ขึ้นมาว่าโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราปวดเขาเรียกว่าอัดตามโผล่ขึ้นมาแล้วทั้งๆ้งที่ภาวว่อันนี้มันมีข้อมันมันเป็นข้อมันเราไปบังคับบัญชาประเดี๋ตามใจเราหวังไม่ได้แต่เรายึดใจแล้วว่าโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราปวด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 เดี๋ยวมานโผล่เข้ามาอีกเรากั้นเดี๋ยวมานก็โผล่เข้ามาอีกเรากั้นเ๋ยวมันกโผล่เข้ามาอีกเพราะสติเราเป็นเครื่องกั้นกระแสกระแสคือกระแสของกิเลสกระแสของปัญหาที่มันแทรกเข้ามาที่จิตพอกิเลสแทรกเข้ามาที่จิตเราก็เอาสตินั่นแหละไปกั้นสติคือความระลึกได้ระลึกรู้สติคือความระลึกได้สติคืออะไรสติก็คือจิตนั่นแหละเอามาแปลงเป็นสติ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 เพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเหมือนกับว่าเรามาขุดมาคุย้ยมาคน้นมารือ้อรื้อย้อนหน้าย้อนหลังขุดพลิกไปพลิกมาดูไปดูมาให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจอันนี้เป็นหลักของปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจอย่างชาัดเจนแจ่มแจ้งว่ากายนี้ก็สักถาวรกายเวทนาก็สักถาวรเวทนาจิตก็สักถาวรจิตจิตก็สักถาวร จ, จิตก็กตย้อนไปดูที่จิต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 แล้วก็พิจารณาย้อนมาที่จิตนี่แหละนี่คือการกําหนดรูทุกร่างกายให้เป็นตัวทุกขเป็นก้อนทุกขเป็นกองทุกจิตเป็นตัวทุกขเป็นก้อนทุกขเป็นกองทุกขจิตที่ยังชพระไม่ได้นี่เป็นตัวทุกเป็นกองทุกเป็นก้อนทุกทุกคือกิเลสมันซึมซับอยู่ภายในจิตนั่นแหละนี่มันซึมกิเลมันซึมซับอยู่ภายในจิตในเมื่อเรากําหนดกายก็คือกําหนดกําหนดทุกกายเป็นกองทุกในเมื่อเรากำหนดจิตจิตคือกองทุกข เสร็จแล้วเราก็ย้อนไปที่สมุดไทยสมุดไทยเกิดที่จิตตันหาเกิดที่จิตจันหาเกิดจากจิตเนี่ยเราย้อนไปย้อนไปเพื่อให้เกิดให้ให้รู้ทันหาให้เข้าใจตันหาเพราะตันหามันผายยึด ต, ตันหานี่แหละพายจิตยึดกายพายจิตยึดเวทนาเราก็ย้อนไปที่ย้อนไปที่สมุดไทยกาหนดดูทุกขเราก็ย้อนไปที่สมุดไทยนี่หลักของอริยสัจทั้งสี่เอาอะไรมาเอาอะไรมาดูก็เอามรรคในหละมาดู เอาสติมาดูสัมผชัญยะมาดูเพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเนี่ยทีนี้เวลาเราจะละเราละที่ไหนพอเราไปทราบสาเหตุต้นต่อคืออำนาจของความอยากแล้วเนี่ยเราก็ไปดับที่ความอยากดับตัวตันหาที่จิตนั่นแหละมันเกิดที่จิตกําหนดจดจอดดูมาที่จิตดูมาจําเพาะจิตภาวะความอยากคืออะไรเปลี่ยนอะไรยังไงดูให้รู้ให้เข้าใจว่าใจมันอย่างเป็นยังไงภาวะ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 ในเมื่อเราก็มารู้กำหนดพิจารณากำหนดลักเรากำหนดรู้กำหนดพิจารณาไปแล้วเราเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันทำให้เราหมดความสงสัยในเมื่อเราหมดความสงสัยก็ทำให้เราไม่คล่องไว้เห็นว่ากายก็สัต่ว่าเป็นกายอย่างอย่างแท้จริงจากปัญญาพื้นพื้นพิจารณาไปจนเกิดปัญญายาพิจารณาไปจนเกิดวิปัสสนาญาณมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าโอกายสักตวะกายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขา พิจารณาละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดไปถึงงานที่มีอยู่ภายในใจอตามชั้นตามภูมิตั้งแต่ต่ำต่พื้นต่ำต่ชําระเข้าไปเรื่อยๆจนถึงกิเลสที่ละเอียดสูงสุดอ ะ, ะตันหาอาวิชชาสามารถรู้เท่าทันความเป็นไปของจิตได้ทั้งหมดอกิเลสทั้งหมดที่มีแฝงอยู่ภายในจิต ก็สามารถเกิดความก็เกิดความข้าใจเกิดญานัทนะถึงที่สุดหลุดพ้นไปได้จากอํานาจของความลุ่มหลงทั้งหมดตั้งแต่หยาบปานกลางจนละเอียดสูงสุดนี่คือข้อปฏิบัติคือทางดําเนินภายในใจของเราเราหมุนมาตรงนี้มาเข้ามาตรงหลักตรงนี้หลักใจของเราเพราะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเหตุให้เราเหลืออดเหลือ้อทนเนี่ยความ ทุกเป็นไปเนื่องกับกายความทุกข์เป็นไปเนื่องกับจิตเป็นเรื่องที่เราควรเข็ดควรหลับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติอันนี้ปฏิบัติเพื่อละคลายความทุกข์ความยากความลำบากที่อยู่ภายในจิตของเราชําระขัดกลาจิตของเราให้มีความบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างแท้จริงก็คือหลุดพ้นไปจากวัฏฏะสงสารหาหมดพบหมดชาติไม่ต้องหมุนไปในในหลักของสังสารวัฏ ไม่ต้องเ ป, เป็นไปตามหลักของวัฏจักรเพราะหลักของวัฏจักรเนี่ยอะไรมันมัดเอาไว้กิเลสมันมัดเอาไว้กิเลสมันเป็นเจ้ามันเป็นจอมของวัฏจักรหมุนจิตของเราให้เป็นไปตามอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาไปในวัฏวุณที่ท่านเรียกว่าวัฏสงสารกิเลส <c oughs> กรรมวิบากที่ท่านเรียกว่าวัฏวนวัฏวนณวนอยู่อย่างนั้นแหละวัฏสงสารนี่ยาวนาน เราทราบไม่ได้ว่าเราเกิดเบื้องต้นที่เราเกิดที่ไหนเมื่อไหรท่ามกลางเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปสิ้นสุดตรงไหนถ้าเราได้ข้อปฏิบัติที่พุทธเจาท่านทร ง, สงสแสดงแล้วเรามาตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติทำนี้ชําระขัดเกลารือฟื้นเข้าไปเรื่อยจนถึงที่สุดหมดความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกายนี้หมดความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกิตอันนี้ธาารรมจมแรกสํารอกอุปาทานตันหาวปาทานภายในใจให้ หมดไปให้สิ้นไปนี่เราสามารถถึงที่สุดพ้นทุกพ้นเวรพ้นภัยในวัฏสงสารได้นี่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อเราได้หลักใจเพราะฉะนั้นเราดูเบื้องต้นทำกลางแล้วเราดูที่สุดที่เราจะต้องก้าวไปเราจะทําตัวยังไงไม่ใช่เราอยู่อย่างลอยๆวันคืนล่วงไปแล้วเราไม่ได้ประกอบสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์ คือตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลตั้งใจปฏิบัติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาเราก็อยู่ด้วยความล่มหลงเราหลงกับอะไรบ้างเราก็ดูไปสิวันวันเราหลงกับอะไรบ้างหลงเพลินไปกับอะไรบ้างเสร็จแล้วเวลาล่วงไปแล้วมันได้อะไรบ้าง <zo> <isas> เพลินกับสิ่งนั้น <zo> เพลินกับสิ่งนี้แล้วเลยจากนั้นไปแล้วเราได้อะไรบ้างถ้าหากเราออกนอกลูก่นอกทางแล้วคําว่าอะไรบ้างอะไรบ้างนั้นมันเอาทุกมาให้เราแล้วล่ะ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 เรามีจิต ด, ดวงเดียวไม่ใช่มีจิตหลายดวงที่ไหนคือผู้รู้มีดวงเดียวแต่ที่ผู้รู้จะไปรู้เนี่ยมีมากมายสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือกิริยาของกิตทั้งนั้นตามในอภิธรรมที่ท่านพูดเอาไวา้มีท่านั้นดวงท่านี้ดวงนั่ น, น, นคือกิริยาของจิตทั้งนั้นแหละกิริยาของจิตท่านั้นอาการของมันสมมุติเราจะดับไฟเนี่ยถ้าเราไปดับที่เปลวถ้าเราไปดับที่ควันเนี่ยไฟก็ดับไไม่ได้ เรามาดับไอตรงที่ความร้อนมันกินกระเชื้อมันอนะคือฟืนนะั่นอะเอาน้ำสะอาดลงไปตอนนั้นดับหมดในเมื่อในเมื่อดับเปลวมันก็ดับควันมันก็ดับเปลวมันก็ดับควันก็ดับเรามากาหนดจดจ่อมาที่นี่เราดับที่นี่อหม้อที่นี่หม้อที่จิตตัวนี้กิริยาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหานั้นก็สักทว่าเป็นกิริยา เนื่องจากว่าเราดับสาเหตุต้นต่อมันที่จิตแล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเราก็ดับไปหมดสิน้นนี่กิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็ดับไปหมดสิน้นอยู่กับผู้รู้รู้ที่บริสุทธิ์ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ที่ทชำระได้เหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านชำระได้พระริยเจ้าพระสาวกมหาสาวกท่านชำระขัดกล่าวได้คือจิตของท่านบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากสิ่งที่มีอำนาจ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 มองเห็นว่ากายนี้เป็นก้อนธาตุมันจะอยู่ได้ยังไงท่านก็บำรุงท่านก็ซ่อมแซมดูแลพระคับประคองรับผิดชอบไปพอได้อายุไขท่านก็ปล่อยทิ้งไปท่านไม่ได้รับกองทุกข์จากสิ่งที่เป็นกายนี้เนื่องจากว่ามีสติมีสัมผััญญะมีปัญญาซอดส่องพิจรารณาหรือคนคลุกผุโลงเห็นแล้วว่ากายก็ศักดิ์ว่าเป็นกายจิตของท่านก็ถอนไปถอนไปถอนไ ป, ถอนไปอยู่กับผู้รู้ ไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสกิเลสไปแทรกไม่ได้จำแรกหมดแล้วเป็นจิตดวงเดียวเป็นวิสังขารไม่มีสังขารอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้ามีกิเลสตัวเดียวเข้าไปเกี่ยวข้อง ก, กับจิตดวงนั้นก็คือยังมีสังขารอยู่สิ่งมีอยังมีสิ่งประกอบอยู่แต่ถ้ า, ามีอันเดียวโดดเดียวเนี่ยจะ ก, กลายเป็นสิ่งอื่นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจิงว่าจิตของท่านไอ้เที่ยงเที่ยงคือผู้รู้นะเที่ยงอันนี้จังทุกขังอน้าตามไม่เกี่ยวข้อง